บทสรุปท่านตั้งหลายทำคือปาจิตตีเก้าสิบกขาบทข้าพเจ้ายกขึ้นแสดงแล้วข้าพเจ้าขอถามท่านตั้งหลายในธรรมคือปาจิตตีเก้าสิกขาบทเหล่านี้ว่าท่านตั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สองว่าท่านตั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือข้าพเจ้าขอถามเป็นครั้งที่สมว่าท่านทั้งหลายบริสุทธิ์แล้วหรือท่านตั้งหลายบริสุทธิ์แล้วในธรรมคือปาจิตตีเก้าสิบสสิกขาบทนี้ เพราะฉะนั้นจึงนิ่งข้าพเจ้าขอถือความนิ่งนั้นเป็นมติอย่างนี้ขุดทกะศิขาบทจบบริบูรณ์ปาจิติยกันจบ